hmm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 มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่เดี๋ยวนี้ตื่นเช้ามากก็ได้แก่พวกนักธุรกิจโดยเฉพาะระดับโลกเนี่ยคนพวกนี้งานเยอะนะ CEO ระดับโลกอย่าง Disney หรือว่า Pepsi Apple พวกนี้เขาตื่นเช้ากันมาก CEO Pepsi นี่ตื่นตนะีสี่ ดิสนีย์ก็ตื่นตีสครึ่งของ Apple เนี่ยตี4กว่าก็ตื่นแล้วคนที่ตื่นสายเนี่ยที่เขาจะว่าตื่นสายเนี่ยคือ CEO ของ Twitter รนี่ปกว่าตื่นตี5ครึ่งนอันนี้ถือว่าตื่นสายมากแล้วเนี่ยเขาตื่นเช้าไปทำไมนะตื่นเช้าเพื่อจะได้ออกกำลังกายเนี่ยอย่างตี5เนี่ย CEO Apple เนี่ยก็ถึงลงยิมแล้ว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 อาจจะง่วงนะก็ต้องพยายามที่จ ะ, ะปลุกตัวให้ตื่นขึ้นมาให้ได้ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่ อ, อความง่วงอาหาวนอนหรือความเกียจคร้านอันนี้มันก็ได้ไปแล้วนะได้ขันติธรรมนะได้วิริยะความเพียรท น, นี้เมื่อตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเนี่ยนะมันก็มีประโยชน์ต่อจิตใจหลายอย่างช่วงที่ยังเช้าอยู่เนี่ยยังไม่ทันสว่างเนี่ย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 ไม่มีสติแล้วไอ้ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเนี่ยนะมันก็พูดอีกอย่างนะึงคือว่าเวลาทำแล้วก็ตามก็ทำทีละอย่างอันนี้ก็พูดไปแล้วเมื่อวานนะมันเป็นวิธีการเจริญสติแบบง่ายๆ ค, คือว่าทาทีละอย่างเป็นการสร้างนิสัยนะที่จะเอื้อต่อการส่งเสริมคุณภาพจิตปัญหางผู้คนส่วนใหญ่คือว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำทีละอย่างทำหลายอย่างพร้อมๆกัน ซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นการบั่นทอนสุขภาพจิตคนที่รักตัวเองเนี่ยเขาอะไรก็ตามที่บั่นทอนสุขภาพจิตเขาก็ไม่ทำนะและสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพจิตยาง น, น้ก็คือว่าทำหลายอย่างพร้อมกันทำหลายอย่างพร้อมกันนี่ก็มีทั้งทำด้วยความตั้งใจกับทำโดยไม่ตั้งใจอย่างเช่นกินข้าวก็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 แ้เป็นอย่างนี้กันเยอะน ะ, ะมีคนเขาทำวิจัยพบว่าเจชั่วโมงครึ่งหรือ8ดชั่วโมงที่ทำงานเนี่ยคนเราทำงานางจริงๆอ่ะยีอนแค่นั้นแหละก็คือประมาณชั่วโมงกว่าที่เหลือไม่รู้ใจลอยไปไหนนะอันนี้ก็เรียกว่าทำหลายอย่างพร้อมกันนะแต่ว่ามันเป็นการทำหลายอย่างโดยไม่ตั้งใจซึ่ง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 เช่นคนที่ทำงานทำไปบ่นไปเนี่ยไอ้ทำไปบ่นไปเนี่ยคือทำหลายอย่างพร้อมกันนะส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบอ่นะทำไปบ่นไปแต่มันอดไม่ได้นะทำไปก็บ่นเพื่อนบ้างละหรือทำไปก็กลุ่มไปจะกลุ่มก็เพราะว่ามันคิดถึงเรื่องงานที่ยังไม่เสร็จอีกต้องหลายอย่างทำงานเช้าก็คิดถึงงานบ่ายหรืองานวันรุ่งขึ้นหรืองานที่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 หลายอย่างพร้อมกันแต่คนร้อนี่มักจะชอบทําสิ่งที่มันยาก เ, ยเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคํา ท, ทําทีละอย่างมันเป็นของที่น่าจะง่ายแต่เราเลือกทําสิ่งที่ยากทํำหลายอย่างพร้อมกันเสร็จล้วก็เป็นการบั่นทอนสุขภาพจิตงานก็ไม่สําเร็จงานไม่ดีจิตใจก็ย่ําแย่ทีแรกก็ตั้งใจทํำหลายอย่างพอทําไปทําไปมันกลายเป็นนิสัย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 นักปีนเขาที่ผ่านยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกมาแล้วทุกทวีปรวมทั้งเอเชียซึ่งก็ได้แก่เอเวอเรสต์เนี่ยเอเวอเรสต์ที่สูงมากเขาก็เคยพิชิตมันแล้วเขาก็ใช้เวลาสิบปีนะกว่าเขาจะสรุปได้ว่าวิธีการปีนเขาที่ดีที่สุดเนี่ยนะก็คือลืมจุดหมายอย่าไปสนใจ ย, ยอดเขาที่จะไปให้ถึงนะสนใจแต่พื้นดินใต้ฝ่าเท้า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 มันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นง่ายมากคือว่าอย่าไปสนใจจุดหมายหรือยอดเขานะใส่ใจกับพื้นในใต้ฝาท้าแล้วก็เดินไปทีละก้าวอีกคนหนึ่งเป็นนักเป็นนักกยกรรมนะนักไต่เชือกเมื่อสักห้ปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ตึก World Trade Center เพิ่งสร้างเนี่ยเขามีความใฝ่ฝันว่าเขาอยากจะเดิน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 ยอดตึกแฝดสตึกเนี่ยนะมันเป็นงานยากน่ากลัวก็จริงนะแต่ว่าเขาก็ทำให้มันเป็นเรื่องง่ายด้วยการสนใจแต่ก้าวแต่ละก้าวนะหรือว่าเท้าแต่ละข้างแนั่นเองอันนี้มันก็เป็นเคล็ดลับในการทำงานนะเวลาทำงานเนี่ยอย่าไปสนใจจุดหมายปลายทางนะทำให้มันง่ายกว่านั้นนะสนใจแต่ ง, งานที่เรากำลังทำอยู่แล้วทำให้มันดีที่สุดใจเต็มร้อยเลยนะ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 ใจมารู้กายก็แบ่งภาคมาฟังคาบรรยายด้วยอันนี้เราทำสองอย่างพร้อมกันมันไม่ถูกนะถ้าจะยกมือสร้างจังหวะก็ให้ใจก็รับรู้ว่ากายกาลังยกอย่าไปสนใจคาบรรยายฟังผ่านๆถ้าจะสนใจคาบรรยายก็ก็ให้ใจนะมาอยู่กับการฟังไม่ต้องยกมือไม่ต้องให้ใจไปรับรู้กายว่ากาลังทำอะไร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 ไม่ปิดโทรศัพท์อ่ามันบน่นวอยๆอันนี้มันยุ่งยากเนี่ยแค่รู้เฉยๆเนี่ยมันไม่ต้องทำอะไรมากกว่าไปก่อนานาั้นใจเนี่ยแค่รู้เฉยๆเหมือนกับเรานั่งอยู่บนบนฝั่งแม่น้ำเนี่ยนะเราก็ดูกระแสน้าที่ไหลให้การดูกระแสน้ำที่ไหลเนี่ยมันยากที่ไหนนมันไม่เหนื่อยเลยนะดูกระแสน้าไหลบางที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 ไปต่อสู้เล่นงานความโกรธความฟุ้งซ่านที่มันโผล่ขึ้นมาในใจไม่ต้องทำอะไรหลอกใจอ่ะแค่รู้เฉยๆนะทำไมเราทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องทำไมทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากนะหรือไม่ไม่เลือกทำสิ่งที่ง่ายถ้านั่งที่สิ่งที่ง่ายมันดีกว่าสังเกตนะใจเรามันไม่ค่อยอยู่เฉยมันจะขวนขวายทำโน่นทำนี่นะแล้วก็ไม่ได้เกิดผลดีอะไรขึ้นมาเลย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 ใจที่ฝึกเอาไว้แบบนี้ใจที่สะสมนิสัยแบบนี้ถึงเวลาเนี่ยทำอะไรใจมันก็ไปคว้าเอาทุกข์มาใส่ตัวนะเรียกว่าทํำหลายอย่างพร้อมกันนี่เรียกว่าใจไม่อยู่กับปัจจุบันนะนี่เรียกว่าใจเนี่ยไม่ยอมรู้เฉยนะเฉยนะถ้ารู้เฉยเฉยแล้วเนี่ยมันเหนื่อยแต่กายแลนะใจไม่เหนื่อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจและส่วนใหญ่เหนื่อยใจเนี่ยมันแย่กว่ามันหนักกว่าเหนื่อยกายสิ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 จริงๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมันง่ายนะแต่ว่าเราไม่ชอบทำสิ่งที่ง่ายเราชอบทำสิ่งที่ยากนะฉะนัน้นตั้งหลักให้ดีนะกลับมาทำสิ่งที่ง่ายซะแล้วมันก็จะเกิดผลดีด้วยเอาชาเนี่ยพูดทนีนนะครับับ